จะย้อนกลับมาพูดในปัญหาที่เ้าึ่งยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทั้งหมดจะมีสิบสามเรื่องเรียนไปทั้งหมดแล้วก็ติดเรื่องพอดีเหลือเรื่องที่เก้าที่เราข้ามไว้แล้วก็เรื่องที่สิบสองกับเรื่องที่สิบสามที่จะเรียนในคลิหน้าสิดปัในเรื่องที่เก้านี้ก็ดูทื่รสบรย ที่เป็นใช้วานียาโมกกันติดกถานิยาโมกกันติดกถาการว่าโมกน ะ, ะซึ่งตามชื่อของกระถาก็แปลว่าเรื่องได้อย่างลงสูนิยามมันมาจากคำว่านิยามะบวกกับคำว่าโอกกันติดโอกกันตินันแปลว่าอย่างลง และคําว่าอย่างลงในคําว่าโอการติที่ใช้ในทางธรรมะนั้นก็ใช้ในลักษณะที่บ่งถึงจุดเริ่มแรกหรือจุดเริ่มต้นทมักจะใช้คำว่าโอการติเป็นหลายการณีด้วยกันเช่นการที่บุคคลจะเกิดขึ้นมาโดยเจราพุทธะกําเนิดจะต้องมีเหตุปัจจัยสามอย่างคือปัณณ์อยู่ร่วมกันสตรี อยู่ในวัยนี้ประจำเดือนแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือมีคันพับพักอย่างลงนะน่าจะเป็นเนื้อความใะสูตรหรือพยายามในข้าริษมคำพีประธานก็จะมีกล่าวถึงโอ ก, กันติกับคเนโอ ก, กันติคเนคือหมายถึงขนาดอย่างลงเยกตัวอย่างเช่นในอ่นามัญญาปัใจจัยจะกล่าวว่าการทยัววัตถุ ย่อมเป็นอัญญะมัญญะปัจจัยแก่วิญญาณในขณะอย่างลงกาว่าวิญญาณนาั่นอย่างขณะอย่างลงในที่นั้นหมายถึงปัจจิสุนที่วิญญาณ น, นั่นเองซึ่งเป็นวิญญาณอย่างลงอย่างลงในที่ไหนก็คืออย่างลงในในในที่ําเสนอคือในปฏิยาวัตถุรูปนั่นเนองปฏิยาวตถุรูปนั้นจริงๆว่าเป็นปัจจัยแก่ ปฏิสนธิวิญญาณนั้นด้วยไปส่วนธิวิญญาณนั้นก็เป็นปัจจัยแก่อาภิยะวัตถุนั้นด้วย่ในที่นั้นไม่ใช่คำว่าอกากันจิตแล้วประเน้นเป็นขณะโดยใช้คำว่าขณะหรือกันเนต่ว่าในขณะคือในขณะอย่างลงทีนี้ในกรณีตรงนี้นั้นหมายถึงอย่างลงคือขั้วแรกของการลงสู่นิยามเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกําหนดความหมายของคำว่านิยาม ซึ่ในที่นี้นะฮะว่าใครไม่เข้าใจตัดแสงที่เป็นรูปของตัดเฉพาะ ห, หรือตัดเทคนิคในทางาณิตศาสร์แล้วก็เข้าใจความหมายในที่นี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นในที่นี้ผมจึงต้องคืนภาษาบาลีกลับมาให้เพื่อให้เด็กเห็นกันว่ามันเป็นตัดเทคนิคที่ไม่ควรดึงแปลหมดนิดยามหมายความอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะได้พูดกันหลังจากที่ได้อ่านคําถามคำถามที่หนึ่งที่ได้เรียง เป็นลนักษณะต้องการจะเน้นความไว้ทั้งหมดในคำถามที่หนึ่งเมื่อสักครู่ไี้ผมพูดถึงชื่อของปัญหานะไปยังไม่ได้พูดถึงที่มาที่ไปหีืจะอยู่ในเนื้อเรื่องรายละเอียดในคำถามที่หนึ่งสะกาวาทีก็ได้ถามว่าพระโพธิสัตว์ได้อย่างลงสู่ทางอันแน่นอนอันเจินมาคำเนื้อ มีพรหมจรรย์อันประพฤติแล้วในปาคตของพระผู้มีพระภาคกระนามว่าตัดปากหรือนี่เป็นคําถามที่หนึ่งและเมื่อเราถามแม่พระรวาทีก็ตอบมาใช่เอาล่ะครับเราย้อนมาดูตั้งแต่คําว่าพระโพธิสัตว์คําว่าพระโพธิสัตว์ในที่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้าขรานะฮะหมายถึงพระพุทธเจ้าของเราที่เขาพูด กันอย่างรู้ความกันว่าใครเป็นใครโดยใช้คําว่าโพดิสัตย์ทำไมถึงใช้คําว่าพระโพดิสัตย์เขาใช้อย่างนี้เนื่องจากว่าเขาต้องการจะพูดถึงช่วงชีวิตของพระพุทธเจ้าในระหว่างตั้งแต่ทรงได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนคือพระพุทธกะปะแล้วก็ได้จะพูรประมาทซึ่งมันเป็นปัญหาที่ต้องพูดกันเนี่ยครับ Hmm. ในรัตตะขาปะโตนั้นแล้วก็จากนั้นก็ไ <tranquil> ด <hai. S 2> ้ทรงเวียนว่ายใจเกิดจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของประชนชีวิตตื่นประชันตายมันเองก็คือก่อนที่จะทรงได้ตระสรุงเนี่ยก็จะพูดถึงช่วงปัญหาบางอย่างตรงนี้ไปถจงให้คาว่าโภทิสาในตอนั้นนะครับอ่า ทีนี้ปัญหาว่าที่าเขาพูดว่าอย่างลงอย่างลงที่ผมได้กล่าวบ น, นสตูนี้ท่านดูภาษาบาลีข้างหลังไปด้วยนะครับอย่างลงสูนิยามในพระไตรปิฎกภาษาไทยเขาแปลนะครับเป็นภาษาไทยหมดนะคะรับแปลว่าแน่นอนเราะคำว่านิยามมนแปลตามตามับมันแปลว่าแน่นอนหรือแปลว่ากําหนดแน่แต่เราจะต้องคงคําภาษาเทคนิคเอาไว้ว่า คำว่า น, นิยามในีนี้ที่แปลว่าแน่นอนและที่ใช้ในทางพระพุทธศาสนา น, นั้นก็ใช้ในมากมายหลายที่ด้วยกันนะครับผมก็จะขอกล่าวพอผ่านให้ได้นึกได้นะครับแต่ว่าใช้ที่ไหนก็ตามจะใช้ในความหมายว่ากําหนดแน่เหมือนกันหมดแต่ว่าองค์คำหรือสภาวษาคำนั้นจะต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นแน้แต่ในองค์กบรบาลีก็มีคํานี้ ในคำสรรนาที่ใช้เขาบอกนิยมสรรนาญกับอนิยมสรร น, นาคือปรรนาญใดที่กล่าวเลียดโดยกำหนดแม่วันนั้นวันนี้วันนู้ น, น, น, น, น, อ, นอันนี้เรียกว่านิยมสรรนาแปลว่าเป็นคำสรรนาญที่ระบุชัด ก, กําหนดแน่ลงไปว่าอะไรแตนละรแล้วก็อนิยมสรรนานั้นเป็นคำสรรนาญที่ไม่ได้ระบุแน่แเช่นว่าได้ไ ด, ไดที่ใด้บนได้ในต่างนี่แหละครับ ไม่ประูุแน่ดังนั้นก็ใช้คำว น, นิยามในนิยมด้วยหรืออีกที่หนึ่งซึ่งมีที่มาจากภาษาท่านสมมูลขึ้นก็คือนิยามห้าประการเราอาจจะเคยได้ยินใครแต่ใพูดกันบ่อยแล้วนิยามห้าประการแปลว่าการกําหนดแน่ห้าประการของสิ่งต่างๆต่อไปนี้คือเช่นอุตุนิยามการกําหนดแน่ของฤ ด, ดูของอุตุทีเช่นนิยามการกําหนดแน่ของพืช ตมมรรมนิยามกำหนดแน่ของกายจิตนิยามกำหนดแน่ของจิตนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นนิยามฮะซึ่งซึ่งไม่มีความหมายตรงกันในที่นี้เลยทุกอย่างเลยสําสหรับในที่นี้นะครับธรรมนิยามนั้นท่านหมายถึงหมายถึงกองนาถิหนึ่งในสองกองอถิ นิยามที่แล้วกําหนดแน่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตพิ่สดาที่คนยานางมาตร่าเมื่อถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเนี้คือเรื่องแน่แน่เนี่ยแน่แน่ๆคมันอะไรจะแน่ที่เราชอบคูยกันแล้วก็กําหนดจะไม่ลงด้ี้ว่านี่มันแน่อย่างไรเกิดอันนี้จังแน่แน่ไหมอันนจังอันนี้จังแล้วไม่เทียบคือไม่แน่นอนทําไม่แน่นอนอันนี้จังมันก็มันก็อาจจะเป็นอันนจัง อนีนะครับ พ, พูดกันไป พ, พูดกันมาจนถนะึงอะไรเนี่ยแว่าก็จะมีบทยาที่จะพูดถ่ายผมจะเก็บความทั้งหมดในเรื่องแนแน่ที่จะพูดในบท น, นั้นที่จะถึงแต่เวลา ย, ยังไม่ได้หนดเลอกได้แต่ําหลักในที่นี้นะครับพูดให้เข้าจุดเลยนิยามที่แปลว่ากาหนดแนตอตามขอบเขตความหมายในีนี้ ท่าหมายถึงกำหนดแน่ส อ, องตัวส่วนห น, นึ่งเก่นสัมมตานิยามนะครับหรือคาว่านิยาตาก็อย่างเดียวะนะครับนิยาตแปลว่าแนนอนบาการเป็ยนนิยาตานางนิแฉที่ผดแล้วความเห็นผิที่แน่นอนือแน่นอนที่จะเกิอดอะไรสิ มันมันเป็นคที่หน้าตฐานมาเดเลยครับตันนี้ก็ไอคำนิยามมังนิยตามังตัมมัตตนิยาแปลว่าข้อกาหนดแน่ข้างผูตัมมัตต์แปลว่าผูกมีความหมายในกาสมาธิกำหนดแน่ข้างผูกคือดีงานผูกต้องวิญทำนะครับเสียเดวไปใส่อีย่างหนึ่งเรียกว่านิปัตต นิยามมันแข น, นงกับคำวทยาศาสตร์ตแล้วกเเลื่อยๆแต่เมไว้พูดทีหลังนึง <c oughs> ก็เป็นนั้นว่ากำหนดแน่ข้างติดตัดกำหนดแน่ข้างถูกทีนี้แน่ในขอบเขตแค่ไหนของแน่อย่างรยังมันไม่เหนกันหนอนอราาอกนะเราจะาไปปักตรงกไม่ได้ ถ้าเรื่องทั่้างบนเนี่ยที่ท่านกล่าวว่าสัมมรตตานิยามในที่นี้ท่านหมายถึง อ, อะไรัเอาไปฟังรู้ลองด้วยตอบหน่อยเรียกว่าสัมมัตตานิยามนี่สัมมตตานิยามคือออะไรนะเอาแค่นั้นเลเอาคือมัคคี เรียกว่าเป็นนิยามฝ่ายผู้กหนดแน่แท้ถู้ตามว่ากําหนดแน่อย่างไรก็ตอบว่าธรรมะตาเนี่ยตาที่ว่ากําหนดแน่นแท้ผู้มันมีหมายถึงกําหนดแน่ว่าเจงโสดาบันบุคคลก็กําหนดแน่ด้วยโสดาปฏิมาขันว่าจะไม่ กายามบาัตนี่เป็นข้อกำหนดแจะไม่จะพึ่รูปงสีห้าอย่างเด็ดขาดนี่เป็นข้อกำหนดแน่กระโหลดำบันนั้นจะเกิดดีอย่างมากไม่เกิดเจ็บชานี่เป็นข้อกำหนดแกจะต้อเข า, า, ามีควานทางที่สุดนอันนี้เรียกว่านข้อกำหนดไงแม้ปัจจีธาตานีม้มื่อณนาธาตานีม้มาอารหัตตมก็มีข้อกำหนดแน่ที่เล็งเล่งหมายเอานิพาน เป็นจุดหยุดที่สำคัญ ข, ของสัมาสังเย่านเพราะฉะนั้นศาสตเทคนิคหรือภาษาที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าหรือพระผ้รู้เวลาท่านพูดจะถึงมากบางทีท่จะใช้คำนิยามแ ล, ล้วก็รู้แบบก็เป็นศาสตร์เทคนิคเพราะฉะนั้นถ้ไปแปลเล่นๆว่าทำมัน แ, แน่นอนรู้อะไรนอย่างลรก็จ้ที่โละวันานนี้มาดูมิตรัยงย่ กำหนดแน่ชัดได้แก่อะไรบ้างที่เป็นข้อกำหนดแนอชัดอานันตเรียกรรมอ้าวนะฮะปัญญานันตรียกกรรมคืออนันตรียการรมอ้าวเนียตานี่แค่ที่หนึ่งเนียตานี่แค่ที่สองที่สาที่คี่อุ้มแรงสอย่าง อันนี้เียกว่าเป็นข้อกำหนดแน่ข้วสูงเราจะเห็นว่าข้อกาหนดแม่ขวตะกข้อกำหนดแน่ข้สกับข้อกาหนดแม่ข้วถูนั้นมันสวนทางกันเส้นทางที่กำหนดแม่ทางสูเนี่ยมีนทางที่ที่ถีมาแต่กำหนดแม่ข้าสิบนั้นมี A O I D เ หมายนะความว่าคนที่ทำบรราการการนันรต่างาีจะเข้าลงโทตามสุดนะครับตามสุดเลยทีเก้ข้อกำหนดแน่ส่วนมัทธินั้นจะต้องไปนิพพานแน่ยงแต่ว่าใครแน่นานกว่าการแกหน่อยถ้าเป็นพระอรหันต์ผู้บรลุอรหรัตตะบุคคล น, นันจะถูกกาหนดแน่นว่าจะต้อง จะต้องเข้าสู่การดับขันท์พักไปดีกว่าในชาตินี้โดยแน่อนนี่เรียกว่านิยาม ใ, ในที่นี้นะครับเพราะฉะนั้นนิยามในที่อื่นอยู่เนี่ยบางทีมันใช้คำสั้นๆแต่จะมีความหมายที่แต่จะพลอต่างๆกันไปอยู่ซึ่ อ, อจะต้องมองความให้ออกนะครับทําไมออกก็ต้องอาศัยการเรียนในอย่างนี้แหละอันนี้เรามาดู ที่เขาพูดกันในปัญหานี้ว่ายัางลงตูงนี่อย่งเขาหมายถึงนิยามไปที่ไม่ใชอย่างไปที่อันนี้เมื่อระบุด้วยคำว่ามีจะโยงเข้าไปจุดที่ผมได้กล่าเสิมไว้ในหัวเรื่องเมื่อสักครู่นี้ที่แปลนะครับว่านิยามโมกกันสูต นิยามป ก, กตินิยามป ก, กติแต่นิยามมักโบกบ ก, กันติโบกกันติที่แปลว่ายางลงและย่างลงมันยิเรียนว่าหมายถึงอะไรที่เป็นเรนในในในนื่องแรกตั้งแรักระาษรั้นมาใกล้ๆเราอย่างลงจิตวิทยาในเรื่งต้นปฐมจิตวิทยาในชากนี้เรียกพอโบอกกันติ เป็นการรักษาอย่างลงหรือโอกกันติกะเลในขณะอย่างลงอันนี้เมื่อนิยามมาเลงหมายถึงมัคติอามว่าถามว่ามัคตินั้นอรหัตมรรมัคแล้วเรี่ยเราอกกันติได้ไหมอกกันติคืออย่างลงสูงไม่ได้นดยรนะนิยามพ่อนิยามนอยญานเป็นนิยามอิตายถูไหาอรหัตธรรมมัคเป็นนิยามอิตา แม้อนาคามักก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่มักในขณะอย่างลงจึงไม่ใช่มักแรกปัจจิการมาเป็นเดียวกันเพราะฉะนั้นนิยามโมกันติคำนี้จึงหมายถึงเข้าหมายถึงมัคคุรีก่อนิยามนี่แหละแทนที่จะเอาสีตัดออกมัคคุรอย่างลงตัวนิยามจึงหมายถึง กรณีที่เป็นผสมอมมักหรือเป็นผู้ที่เข้าสู่กระแสนะโตตาแล้ว่าเข้าสู่กระแสงคือเป็นผู้เริ่มต้นถ้่ใช้คำว่าโตตาหมายถึงตั้งจุดหรือถ้ามาใช้คําว่า organic คืออย่างลงหมายว่านิยามมันดีแต่ใครที่กําลังก้าวไปสู่นิยามนั้นจุดอย่างลงของเขาในนิยามตีประการก็คือโตลาปิด เพระนั้นมียาบอกอันตริยิงเป็นชื่อของโสดาปฏิมาจิตที่เห็ุตงนี้นี้ปัญหาเรื่องนี้มาเกี่ยวอะไรกับโสดาปฏิมาก็เดี๋ยวก็จะถึงรายละเอียตอนนี้เราค่อยๆําระบค่อยทไกันซะก่อนก็หมายความว่าในบรรทัดแรกของคำถามเนี่ยอะว่ า, าพระโพธิสัตว์ได้อย่างลงสู่ทางแน่นอนก็แปลว่าพระโสต อพระโพธิสัตว์คือพระกุตติยาเหล่านั้นได้เป็นโสดาบันนั่นเองนะครับได้บรรลุโสดาบันบรรลุโสดาบันเมื่อไหร่ถ้าบอกเขาบรรลุโสดาบันที่โคนต้นโพเมื่อคือจัตตลุก็มีด้วยนาแหละแต่อาฝ่ายสพระวารีนั้นจะกล่าวว่าพระโพธิสัตว์ของเรานั้นไม่ให้พึ่งจะมาบรรลุโสดาบันเมื่อโคนต้นโพในคือจัตตลุ แต่พระองค์ได้บรรลุเป็นโสดาบันมาแล้วต้งแต่สมยสัยพระพุทธกาลปะปัญหาที่เราพู้เป็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเรื่องนี้เราอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนใช่ไหมครับ ว, ว่าหรือไม่เคยคิดว่าใครจะมีความเห็นอย่างนี้ว่าตรอพุทธจ้าของเราเนี่ยเราเรียนกันมาจนป่านนี้แ ล, แล้วเราก็รู้ว่าพระองค์ทรงตรัสรู้มรรคผลทั้งสี่ที่โคนต้นโคในวันวิส า, าขบูชา มักทั้งสีได้เกิดโดยโตขงเองไม่ได้เกิดมาแต่ภาพิปางก่อนอย่างใดเลยทั้งสิ้เพราะฉะนั้นแะไที่เราเข้าใจกันอยู่แต่เดิมมาถูกแล้ ว, แ, ลวแต่ก็มีคนที่เข้าใจไม่ตรงกันเราคือพวกนี้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้านั้นได้ตรัสรู้เป็นโสดาบันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองก่อนเขามีหลักฐานทีเด็ดดาบและมาตรัสรู้มักอีกสามที่เหลือ ในสมัยพระช า, าติปิศาคือที่โกนตนผงแต่ทีนี้เรามาดูย่อหน้าต่อไปกหน่อยครัในปัญหาที่หนึ่งนะครับผมจะขยายพ้อยําให้ฟังไปด้วยในย่อหน้า น, นี้บอกว่ามีอ่ามนต้องอ่านต่อก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เราจะอธิบายเพราะว่าทีละตอนมีกรมอาจารย์อันประพฤต์และประพฤต์และบาลีที่เรียว่าจริตจรตตอริตต์เจอริตตบแล้วระพฤตแล เพื่อจะนที่เราพูดกันนะครับว่าเรามีจริตอะไรๆแปล ว, ว่านิสัยอันนั้นนิสัยอย่างนั้นเราได้ประพฤติแล้วคือแสดงออกแล้วในกายวาจ า, จ, าจักรทีนี้คาว่าลมจั่นซึ่งหมายถึงประพฤติความประพฤติอันประเสริฐหรือความประพฤติอย่างลมเนี่ยคตัดเดิมนั้นสาวงจกักรใช้นในแวดวงของศาสนาพรามณ์นะฮะที่คณะถือพระลมและใครที่ประพฤติ ตามทางที่จะนําไปสู่ลมนะครับก น, นั่นคือว่าประพฤติลมาจันจรหรือใครที่ประพฤติอย่างคู่ที่ไปเกิดเป็นตลมรุ่นก่อนด้วแยบบการประพฤติอย่างนี้ใครประพฤติตามนั้นก็คือประพฤติตามอย่างบูรภะลมที่ตัวเองอยากจะไปเกิดเป็นอนุชนลมก็ต้องประพฤติอย่างบุรพะลมดีเขาได้ประพฤติมาถึงที่จะบอประพฤติลมจานทรแต่ว่ามากนึงสมัยพุทธเจ้านั้น ตามพจน์พรมารการได้ทรงใช้เป็นหลายความหมายด้ยกันที่แปลว่าความประพุทธประเสริฐนี่นะครับที่ว่าหลายความหมายนั้นก็มีทั้งหมดสิบสองความหมายผมไม่เอามาเาริญในทั้งหมดะครับมันเยอะเอาเป็นว่าที่เกี่ยวกับปัญหานี้นะครับมันมีสองความหมายดค่ยกันที่เมื่อเราฟังพระพุทธเจ้าเทศหรือว่าอ่านพุทธพจนแล้ว เราจะต้องกําหนดความหมายให้ได้ว่าตรงตรัสในความหมายไหนไม่อย่างนั้นแล้จะเข้าใจสับสนกันพระมรรจในความหมายประการหนึ่งหมายถึง เ, เมตุนิรักเมตุนิรัตกค็คือการบวทเย็นจากการบริโภคการมกุณลในคำว่าเมตุนิรักหรืออีกทีก็คือการบวชนั่นเองการบวชในเดียกเนี่ยการบวชก็คือการ งดเว้นเด็ดขาจากการประพฤติในในหนุนธรรมหรือถ้าไม่ได้บวชเราไปละษาสี 8, แลแปดก็จะมีสิลข้อหนึ่งคือข้อ 3, าาสามนั่นแหะครับว่ากรมอาอาธรมัาชริยาคือเป็นคู่ที่ประพฤติอย่างลมนั่นเองซึ่งก็หมายถึงในจุดที่ละ่ะแต่วันนที่นี้หมายถึงการบวชในที่นี้หมายถึงการบวชอย่างของเราบวชชั่วคราวอย่างของเราตบวชตลอด ดีกันอย่างนี้สุดอีกความหมายหนึ่งโพรมจาจันหมายถึงอริยมัคสิที่เรียกว่นิยามพมอนนั่นแหละบางครั้งทรงตรัสเรียกคำว่าโพรมารยเ์เมื่อคําว่าโพรมจาจันมีความหมายเป็นหลายอย่างกันอย่างนี้ในพระสูตรบางแห่งที่เป็นปัญหาทําให้ฝ่ายปรารวตีสําคัญผิดเนี่ยคร ก็ด้วยทรงตรัสคําว่าพรหมจันทร์ในที่นั้นว่าดูดูก่อนอานนท่านท่านเล่าเล่าให้พรานงนฟังนะครับพระโยคุแกยกสูตรนี้ให้ฟังทีหลังว่าเราได้ประพฤติพรหมจันทร์แล้วในปาปุของพระผู้มีพระภาคทรงกระนามบกษาปะตระวาทีไปพบคําว่าพรหมจันทร์ในที่นั้น ก็ไปตีความหมายไม่ผูกเรียกว่าไม่ผูกฟ้าถูง <ropolis> ตัวแต่ลองดูเลยครับว่าอถ้าเอาวบตถุมากุฎมีความหมายที่ต้องเราพูดมันจงมีสองอย่างอย่างหนึ่งหมายถึงการบวชหรือหม่ถึงนี้ละอีกอย่างหนึ่งหมายถึงการบรรลุมรรคหรือเป็นระยะบุคค เพความหมายออย่างอันที่ที่เขาบอกว่าหมายรุนบรรุมัชกเกตเ่าอัวประจนันเราอยู่จบแล้วหรือพระอรหันผู้อยู่จบตัวรจารเ น, นี่ยตัระจัเป็นยงไงมาที่การบวชทำไมผู้บวชอะไรขางอาหันท่านเสร็จแอะไรแล้วแต่หมายถึอง อ, อยู่จบการป ร, รพฤติมัชล็อก้งสี่ทีนี้ตัวปรจาจันที่มีความหมายอางนี้ก็อ ย, อย่างที่เราพูดว่าตัรจที่อยู่อกลาเนี่เราก็เรียกว่าเป็นเทศตัวระจ หรือเราไปสมาทานติดแต่งกราบเป็นตนะครับเทียบกับเป็นตัวเหมืันที่เมื่อที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสในสุนันละเราได้ประพฤติมาจากในปาปดของพระพุทธศาสบานั้นทรงหมายถึงการบวดทรงหมายถึงการวชารีสำคัญว่าหมายถึงบรญลมา่เรกว่าเข้าใจสิจิตฟ้าสิกตัว จึงมาเคื่อแสดงความเห็นว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงอย่างลงสูงอย่างคือองค์ปฐมจันรก็โยมไปใช้ไปเกี่ยวอย่างโตเป็นความแตกกันได้ใช่ไหมครับอย่างมีความหมายได้อย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งหมายมะปฐจันท์มีความมายได้อย่างแต่อยัางหนึ่มายถึงมะพระควาทีก็เลยสัมพันธ์ว่าพระผู้มีพระภาคทรงพระเจ้าปร ะ, ประทุปปฐมจานทร์และใน อ่าต้ของพระพุทธศาสนาก็เลยสำคัญว่าตรวอาจารย์หมาด้วการบารรลุมาอันนี้สี่คัที่ถูกไม้ด้วยการมวนะไว้ด้วการบวดไม่ใช่บรรลุครับตรวนี้นะคือสุนทรภพอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบชื่อว่าสติการสูตรนะครความจริงมีที่อืน่นจะลองไปแหลอีกหลายจทดแต่สติการสูตรนั้น มันอาชีพสูดมันก็แปลว่าสูตรที่ว่าด้วยเรื่องผู้ทําหม้อหรือคนทำคนทำหม้อตารแะแปลว่าทําคติเนี่ยคตินั่ไม่ได้เกี่ยเรื่องคติพบนะกติคือคอลับขังแล้วก็ต่อประ ต, ตะอะไรอีกอ่านว่ากติกติการะคติแปลว่าหม้อหม้อหรืออะไพวก สิ่งที่เขาปั้นปัน้นที่มาที่อยู่ในประเทศของหม้อเนี่ยเขาเรียกหม้อเป็นหลักว่าช่างปั้นหมอ้ออาจจะเป็นปันป้นจอบปั้นกาปัน้นโถอะไรบ้างก็ได้ก็เรียกว่าเป็นหม้อหมดถ้าสูตรนี้ที่ชื่อว่าสูตรว่าโดยในท่างปั้นหม้อนั้นาจริงๆ น, นายคติการะในสูตรนี้ไม่ใช่พระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าเขาหรอกแต่เป็นเพื่อนเขาในท่างปั้นหมอ้อที่มีชื่อว่านายโธติปาละ เราเรียกว่าเป็นคนต่างวันมากกันแต่ว่าได้มีอัจฉริยะใส่ลงกันก็เลยคบค้าสมาคมกันพระโพธิสัตว์ได้เสวยพระเจ้าเป็นมานกษย์ที่วัดโพธิปาระมีเพื่อนเป็นช่างปันหม้อที่วัดกติการะก็เป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงในลักษณะเป็นชาดกโดยสแสดงแก่พระอานนทก็มีที่มาของสูตรนี้ว่าสมัยหนึ่งพระพูทมีลระกักตร์ พร้อมโดยที่สู่ทรงมุ่ยหญ่มีกรารนนทเปนประจ า, าตำนักได้เดินจาริบไปในโกศนชนบทคือในแลกลนโกศนแผ่นนอกก้นนอกหรือชนบทที่แปงส่วนของแกนโกศลในขณะที่ทรงสนิท ด, ดำเนินอยู่บนทางปกตินั้นจู่ๆพระองค์ก็เลี้ยวรถเข้าไปประทับยืนอยู่ที่ที่แห่งหนึ่ง ร้อนกับทรงแยมพระสวนคือยิ้มยินแต่พอเห็นไนฟัน อ, อที่เราเรียกว่าหาติสุปบติจิตที่กัญหาจิตสุปาธาจิตเกิดขึ้นได้หลายจะมีแม้แต่ไม่เห็นเบรคเกิดไดนะ้อันนี้เป็นเรื่องเกิดในลักษณ ะ, ระบรรยากาศกระทับใจเกับกัาเมื่อทรงแยมพระสวนขึ้นก็เกิดลำแสงออกมาจากหลักเขียวแกะอันนี้เป็นธรรมดานะครับ เมเกิดตีติดลมนัดขึ้นลําแสงก็ออกมาเมื่อออกมาพระอนุนแม่อยู่ข้างหลังก็เห็นไม่งั้นจะไม่เห็นนะจะไม่มีแต่ก็เห็นเมื่อเห็ น, นก็รู้เป็นธัรเนียมทีเดียวว่าพระองค์คนระดับพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารานั้นจะไม่ยิ้มพร่ำเกรื่อเหมือนอย่างปุตชฌ์นะแล้วก็เวลายิ้มก็ยิ้มในลักษณะที่เรียกว่าทุกุมารชาติมากพระอนุนก็กราบพระคมทูลถามว่า เพราะเหตุเพราะปัจจัยอะไรจึงทําได้พระภูมิพระภาคทรงแยงกระตรวงกระทรงตลัสว่าที่ตรงนี้คือที่ที่เรากําลังอยู่ในอดีตได้เคยมีชื่ออย่างนี้อย่างนี้และมีพระผูมิมีพระภาคพระองค์หนึ่งมีนามว่าพระพุทธกั ต, ตปะได้ทรงประทับสแสดงธรรมแก่ผู้ศุทหลายที่นี้แล้วก็ที่นั้นแหะที่พระพุทธเจ้าของเราเมื่อคราวเสวยพระชาติเป็นนายโฟดิปา巴ะเน ได้ไปฟังพระพุทธเทศนาณที่นี่ด้วยมันจริงคล้ายๆเป็นเหตุการณ์เก่ามากระทบพระอาภครของพระองค์อีกครั้งหนึ่งจึงได้ทรงแย่งไปสวนคือพระนอนุนก็เลยเอธิษฐาให้ทรงประทับนาเพื่อว่าที่แห่งนี้จะได้เป็นที่ที่พระพุทธเจ้าถึงสองพระองค์จะทรงบริโภคคือใช้สอยในการประดานเมื่อพระนอานุ์นั่งประพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทรงเล่าให้ฟังว่า ดูกรารานนท์ในสมัยอดีตคือข่างพระพุทธกสปทะนั้นมีในทางปันโหมดีวันัทสิการะซึ่งเป็นพุทธุปทาสําคัญของพระผู้มีพระภาคที่มีนามว่าพระพุทธกสะนี้เป็นเพื่อนกันกับในโชติปาระในโชติปาระเนี่ยถึงเป็นเพื่อนกับในคติการะจึงมีภูณทำถึงตกถึงอนาคามีบุคคลนะไม่ใช่เยยอด แต่ตัวเองนั้นไม่ได้นับถือปราเลยเพราะว่าพระโพธิสัตว์ในครั้งนั้นได้สเสวยพระธาตุเป็นบุตรชายของพราเรียกว่าเป็นลูกคนเดียวของบุคคลในวันนับถือ ก, ก็เป็นนิฉาทิธีตามพ่อตามแม่หรือพูดวิธีก็คือาเป็นลูกของคนนับถือศาสนาใดก็นับถือศาสนานั้นตามพ่อแม่ไปด้วยจะไมีบารมีมาเลยก็นับถือไปจ น, นตายแต่พอจะมีบารมีมาบ้างก็ยัคพอยพอจะเปลี่ยน ไปนักสือศาสนาที่ดีกว่าได้อย่างเช่นโสติปาละเป็นต้นแต่นี้วันหนึ่งสองคนนี้ได้พบกันในสติการะก็ออกปากชวนบอกว่าเวลานี้พระพูมีพระภาคได้ทรงประทับอยู่ที่ที่ที่พระพุทธเจ้ารงอยู่อยู่เดี๋ยวนี้เราควรจะไปเฝ้าพระพู้มีพระภาคเพราว่าการได้ฟั้